ทำยังไงจะเจริญได้อานะวันละห้ารอบสิบรอบก็ยังดีเห<อ>็นไหมก็คล่องอย่างเงี้ยเอาสักวันละสิบยี่สิรอบเนี่ยนะให้จิตคิดไปอย่างนี้นะคือให้จิตเป็นไปกับคําสอนสุขโสมนัสจริงๆคนที่สาธยายอย่างนี้อยู่ในสภาพที่เงียบๆหน่อยนะได้สปายะหน่อยเนี่ยกลับมีความสุขที่สุดในนะชีวิตเนี่ยก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยการตรึกการสาธยายแบบเนี่ยมีความสุขกว่าอย่างอื่น มีความสุขกว่าไปเที่ยวด้วยซ้ำไปคนอื่นไม่ทราบนะแต่เขามาว่ามันสบายใจดีคือตอนแรกๆที่มาฝึกคิดแบบนี้นะสิ่งที่ได้นี่คือความสบายใจนั้นคนอื่นเขาก็ตาหนิเราบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ค่อยสนใจเราก็เจริญไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านพระสูตรทุกพระสูตรสอนให้คิดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอันตอนหลังก็เลยไม่ค่อยแคร์ใครใครจะว่าเราคิดก็ดีอ่ะก็ผมมีจิตอะอย่างเงี้ยเราก็เลย ไม่ค่อยแคร์คำของใครสักเท่าไหร่สําคัญก็คือเราไม่ค่อยนึกอย่างนี้สิเราไปนึกถึงแต่คำคนตําหนิสิเนี่ยนี้ตรงนี้แหละนึกถึงแต่ปฏิฆะนิมิตเลยเสียหายเลยซึ่งอันนั้นไม่น่าสนใจเนี่ยนะไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยมันถ้าเราจะนึกทําไมเราไม่นึกตามพุทธพจน์ล่ะทีนี้การฝึกคิดแบบนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เนี่ยคือการสร้างวัตะ ถ้าเราไม่คิดแบบนี้นะความคิดของเราเป็นการสร้างวัตตะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นการสร้างเป็นการปฏิบัติเพื่อวิวัตตะเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าเมื่อไรเรานึกอย่างนี้นี่เป็นข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกถ้าไม่นึกเมื่อไรไม่นึกเมื่อไรเสียหาและเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากุศลไม่ค่อยจเจริญเพราะว่าอย่างในทวารตาเราลืมตาปับ๊บถ้านึกถสูตรนี่เป็นทางออกจากวัตตะถ้าเราไม่นึก ก, การสร้างวัฏฏะทวานหูก็เหมือนกันเนี่ยหูได้ยินเสียงถ้าเราไม่นึกคําสอนเราสร้างวัฏฏะถ้าเรานึกคําสอนก็ไม่สร้างวัตฏะเราจะรู้ว่าทางแห่งวัตฏะกับวิวัฏะมันต่างกันอย่างไรเนี่ยนะทีนี้ถ้าแยกแยะได้อย่างนี้แล้วเดินตามทางวิวัฏะอย่างนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะเป็นการประพฤติประเสริฐใช่ไหมประเสริฐทําไมจึงเรียกว่าประเสริฐเพราะไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยโทสะไม่เจือด้วย โมหะคนที่นึกอย่างนี้ราคากําเริบไหมโทสะกําเริบไหมโมหะรุ่มหลงไหมก็ไม่รุ่มหลงเนี่ยนะสติตัญญาก็ดีขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็พื้นฐานก็ต้องกลัววัดตะไว้บ้างพอสมควรใช่ไหมก็สนทนากันแต่เรื่องเนี่ยถ้ามาเป็นอนุบาลใหม่จะเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งเนาะ จันแดงเขาจะส่งไปเรียนโรงเรียนไหนดีมาอนุบาลอีกรอบหนึ่งนะําหน้าดูเลยนะนึกขำเลยทีนี้ถ้าพื้นฐานในการชาระแบบนี้กลับไปกลับมานะการใช้ชีวิตมันจะดีขึ้นกุศลศีลก็จะดีขึ้นเป็นการชาระกันกลับมากลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาเนี่ยนะชำระเรียกว่ากาย ชำระอภิชากะระทมานัตมากขึ้นเพราะว่าวัตถุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมนัศ ส, สักเท่าไร่เพราะว่าพอนึกถึงวัตถุดใดเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาเราก็สาธยายพระสูตรไปแล้วใช่ไหมพิจารณาตามพระสูตรไปแล้วถ้าวัตถุดใดเป็นที่ตั้งแห่งโทมานัตเราก็เจริญพระธรรมไปแล้วเพรา ะ, ะนั้นอภิชากะระทมนัตก็ไม่ได้ช่องก็เป็นการเจริญ กุศลธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมก็หมั่นใข้ครวนเจริญอย่างนี้จนกว่าจนกว่าอะไรจนกว่าอะไรจนกว่าจะบอกขันทั้งหมดเหล่านั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะก็จนเธอเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยึดเสียเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้น เผมมาชอบคําว่าถ้าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดเราไปติดข้องกับสิ่งใดรู้เถอะว่าเราเนี่ยเป็นท่าแห่งสิ่งนั้นก็ผู้ที่เป็นท่าทั้งหลายเนี่ยจะมีความสุขและโสมนัตมาจากไหนใช่ไหมมันก็ต้องถ้าถ้าเป็นทาามันก็ต้องคอยเงีนหน้าดูนายนะว่า น, นายเขาจะสั่งอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะสะเทือนใจนายใช่ขันท่าทั้งหลายก็เหมือนกันขันใดขันหนึ่งก็ตามที่เราเข้าไปให้ ให้ความเพลิดเพลินเข้าไปติดเข้าไปคล้องเนี่ยเราก็เป็นธาตุแห่งวัตถุนั้นถ้าวัตถุนั้นเปลี่ยนไปสักนิดเดียวเนี่ยนะโอธาตุจะสะเทือนใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นธาตุแห่งวัตถุเหล่านั้นเนี่ยนะก็ครอบงำวัตถุนั้นด้วยการพิจารณาดังกล่าวไปเนี่ยนะวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกและโทมนัสสักมากนักเนี่ยนะอย่างน้อยก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็บันเทาทุกทางใจบ้างก็ยังดีใช่ไหม เทนี้ว่าทุกเต็มร้อยก็มาเหลือทุกซักเอากี่เปอร์เซนต์ดีเท่าไหร่ดีคุณน้องให้มันเหลือทุกักเท่าไหร่ดีไปนึกมาก ๆ, ๆแล้วสักส0บเอร์ซก็ยังดีอ่ะนะมันเจียเจืออยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันรู้จักซาบ้างอ่ะนะก็ใครที่เป็นคนที่โทรมนัดบ่อยๆก็ไปเจริญได้ก็ดีนแต่คนที่โสมมนัดในวัตถุ ก, การมบ่อยๆนพิจารณาอย่างนี้มากจากสังเวช น, นโอ้ที่เราเพลิดเพลิน อ, อยู่นี่เพลิดเพลินในทุกทั้งนั้นเลยเนาะอย่า น, นทีนี้ถ้าผู้ที่วิเคราะห์ได้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะพระธรรมหมวดอื่นๆจะสามารถเอามาพิจารณาได้อย่างกว้างขวางาในวัตถุหรืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาได้บ่อยๆสาธยายพระธรรมไปเป็นต้นบ่อยๆจิตมันก็จะซาจาก นิวร น, นิวร์ไม่กลุ่มรุมก่อนถ้านิวร์กลุ่มรุมเนี่ยมีผลยังไงปัญญาเนี่ยทุระพระแปลว่ากำลังทุตัวนี้แปลว่าชั่วก็คนที่มีกำลังชั่วเป็นยังไงแปลว่าอ่อนแอมากอ่อนแอทางสติปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยไม่มีกำลังเลยแปลตรงๆบอกว่านิวร์ที่มันเกิดขึ้นนะปัญญาที่เคยเกิด นเคยฉลาดมากนึกอะไรก็ทะลุโ ป, ปร่ปปรงหมดเลยอะไรเกิดขึ้นตอนหลังก็นึกอะไรก็ไม่ออกนะไอที่เคยไม่เคยนึกออกก็ยิ่งไม่ออกใหญ่เลยนะ <c oughs> <g ül> ก็มีพรามคนหนึ่งก็บอกอะไรเนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนที่ยังไม่เคยได้ก็ก็ไม่ได้ เ, เขาบอกไอ้มน์ที่เคยได้บางทีก็หลงหลงลืมลืมจำก็นึกไม่ออกไอ้ที่ยังไม่ได้ก็นึกก็ไม่ออกท่องก็ไม่จําเนี่ยนะเขาบอกแล้วก็พองเขาบอกว่าเพราะนิวรห้ามันกลุ่มรุมอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้านิวรห้าไม่เกิดอถ้าสาธยายพระธรรมนะนิวรก็ไม่กลุ่มรุมปัญญาที่เคยไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไทบูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนิวรเนี่ยเป็นตัวที่ ที่หายที่ที่นำมาซึ่งความเสียหายมากมากมากจริงๆนะคือมันบันทอนกำลังสติปัญญาโดยประการทั้งปวงนี่ถ้ามันคข้ควรวนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและและธรรมรมเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมเนี่ย แต่ละอย่างก็แบ่งออกเป็นสามประเภทใช่ไหมอิทารมอณิทธารมและมัชชตารมเนี่ยนะรูปเสียงที่น่าปราถนาอ่ารูปเสียงเกลี่นรถโพธาภาที่หน้าปราถนาบ้างไม่น่าปราถนาบ้างปานกลางบ้างรูปเสียงกลิ่นรสนรเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของอะไรปกติแล้วที่จะมารู้รอบรู้สิ่งนี้ก็ต้องอาศัยวิญญาณหกใช่ อาศัยวิญญาณหกมามารับรู้อารมณ์เหล่านี้นะถ้าสีก็ต้องอาศัยจัโควิญญาณเสียงก็อาศัยโสตวิญญาณจมูกก็อาศัยขานะวิญญาณกลิ่นสิกลิ่นอาศัยคานะวิญญาณรสอาศัยเชีวหาวิญญาณโพ ธ, ธิภาพอาศัยกายะวิญญาณธรรมะอาศัยมนโนวิญญาณวิญญาณ นนะสมอย่างประชุมการนี้เกินภา ษ, ภาษเพราะรูปที่เป็นอิทธารมอ น, นิถารมมัชฌตารมเนี่ยนะพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งภาษะตรงตรงตัวแล้วเป็นที่ตั้งแห่งภาษาสามใช่ไหมเออเป็นที่ตั้งแห่งภาษะถือว่าภาษาสามประเภทภาษะกับอิทธารมนะนะถ้าเขียนให้เต็มจะเป็นวันนี้ภาษะกับอิทธารม ภาษากับอนิถารมภาษากับมัชชะตารมภาษะที่ที่เป็นอิทธารมเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษาที่เป็นอนิถารมเป็นปัจจัยแก่เวทนาภาษาที่เป็นมัชชตารมก็เป็นปัจจัยแก่เวทานาทีนี้เวทานานเนี่ยปกติถ้าภาษากับอารมณ์ที่น่าปรารถนา โสมนัสเวทนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวทนาอันนี้ตรงตัวนี้โสมนัสถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาก็เป็นโธ ถ, ถ้าอารมณ์ปานกลางทั่วไปก็อุเบกขาอุเบกขาเวทนาก็เกิดขึ้นโสมนัสเองเนี่ยนะโสมนัสอุเบกขาเหล่านี้เนี่ยโสมนัสอ่าพรรษาทั้งสามเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาอันนี้ตรงนะพูดตรง เฉพาะขณะนั้นหลังจากนั้นเองนะอิทารมภาษาในอิทธารมก็เป็นที่ตแห่งโทมานตอีกอยู่ดีเพราะว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาถามว่าน่าปรารถนาตลอดไปไหมเนีย่ยนะตลอดไปไหมก็ไม่ตลอดไปใช่ไหมลูกเรามันน่ารักตลอดไปไหมมันไม่งอแ ง, งม้างเลยหรอเนีย่ยนะแตตอนหลังก็ อะไรนะตอนโูกที่มันมันไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมมันดีมันหัวเราะมันร่าเริงก็ดีใจมากนะตอนมันป่วยกระสอบกระแทกเป็นยังไงเห็นไหมโยมคนหนึ่งเขาเล่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปไปแต่งงานกับอันนี้เขาพูดเรื่องราวเมื่อสามสิบปีที่แล้วให้ฟังอันนะเล่าประวัติเก่าให้ฟังเขาเล่าว่าเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งอนะไม่ยายไม่ชอบเขาไม่ยายไม่ชอบเขาก็เลยชวนกันไปอยู่เคียงนานู่นกลางนานู่นนะ ก็อยู่สองคนผัวเมียก็ได้ลูกคนหนึ่งเล็กนี่นะลูกชายคนแรกอย่างนั้นไอ้ลูกชายคนแรกมันป่วยขึ้นนี่นะก็บากหน้าไปขอสตังค์แม่ยายแม่ยายก็ไม่ให้สตังค์มาก็ไปขอแม่ตัวเนี่ยนะได้สตังค์บาทสองบาทเนี่ยไปซื้อยาให้ลูกกินอย่งนั้นมันก็ไอ้ตอนที่ลูกมันยิ้มยแย้แจ่มใสนิสโมััดมากเลยใช่ไหมแล้วตอนลูกป่วยอย่างนั้นจะทําไงโอ้ยผัวเมียนอนไม่หลับกันนะมั้ง ทุกโทมอนัตก็จะเกิดขึ้นพันวัตถุที่วัตถุเดียวกันเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าสีหน้าดังกล่าวไปเนี่ยคําว่าสีเนี่ยสีที่สะเทือนใจมากก็วพวกสีหน้าแวลตาทั้งหลายใช่ไหมถ้าสีหน้าหรือแววตาเนี่ยมันเป็นตอนที่โสมนัตเป็นสมุทรฐานวัตถุนั้นก็น่าปรารถนาตอนที่เขาโทมนัตเป็นสมุทรฐานก็อะไรนะสมมติว่ามองแบบคนชอบพอกันยิ้มให้กันเนี่ยนะ โสมนัตเกิดขึ้นไหนมองเห็นแั๊บโสมนัตเลยดีใจแล้วตอนเขาถลึงตาใสา่ด้วยโทสะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือเขาเห็นเราทําเป็นเหมือนไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนะอุเบขาแบบนี้อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นธาตุของอารมณ์ไปโสมนัตโทมนัตกับอารมณ์เนี่ยอย่างมากเพราะเราไม่เคยเอาม า, ไ ม, า, ไ, ม า, าไม่เคยวิเคราะห์รูปไม่เคยวิเคราะห์วิญญาณไม่เคยวิเคราะห์หรือวิเคราะห์เนี่ยบางทีคําว่าปริญญาก็แปลว่าวิเคราะห์ ไม่เคยวิเคราะห์วิญญาณผัสสะแม้กระทั่งเวทนาทั้งที่เป็นโสมณัสโทมนัตและอุเบขาเวทนาเนีย่ยนะยนะสุขทุกข์และอุเบขาใช่ไหมทีนี้สุขโสมนัสโทมนัตเหล่านี้เนี่ยนะเหมือนกันอีกทั้งหมดคือเป็นปัจจัยกับกามตันหา ภวะตันหาแล้วก็วิภาวะตันหาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่กามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วกามะตันหาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่กามุปาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ที่ถูกป่าทานเป็นปัจจัยแก่ สีละพ้าตัวปาทานเป็นปจัจัยแกอัตวาทุปาทานน่ น, นะก็ตันหาเดียวเนี่ยนะคูณอุปาทานสีนนะ่อะแล้วไล่ตนตนกำเนิดมาอย่างเงี้ยอันนี้เฉพาะสายนี้มานะแล้วก็ไล่อย่างนี้มาอีกมันจะเท่าไหร่เมื่อก่อนนะที่พระ อ, องค์บอกว่ามูสัตว์นี่มันรกชัดเนี่ยนะนึกไม่ออก แต่ถ้ามาไล่ยอย่างเงี้ยเห็นความรกชัดของของมูสั์เลยนะมันยุ่งเหยิงกันไปหมดตั้งแต่อะไรภาษะตั้งแต่อารมณ์ที่เขาไปกระทบมาเนี่ยนะในชีวิตเนี่ยเกิดมาเห็นมาเท่าไหร่แล้วพิสดารมากเลยใช่ไหมแล้วใช้วิญญาณจากักขูวิญญาณไปกี่ดวงแล้วมากะนะจังแ ก, ก่สอนกับพิบตากี่ครั้งเลยนึกไม่ออกไม่แน่นะถ้ามานั่งคานวณในวันนี้กับพิพตาสมมติ่นหนึ่งหมื่นครั้งนะ คูณมาอายุเท่าไหร่ก็คูณไปตามนั้นนะก็จะพอได้เหมือนกันนะจามินิทคำนวณให้หมดนะคำนวณได้ว่าหนึ่งนาทีเนี่ยกระพริบตากี่ครั้งอ๋ อ, อใช่แต่จริงก็มันเนี่ยเราก็จามินิทคำนวณให้ก็ได้ทั้งหมดเลยพวกเนี่ยนะชาติหนึ่งหายใจกี่ครั้งเนี่ยนะเขาคำนวณให้ได้หมดเลยกลืนน้าลายกี่รอบอย่างเงี้ย พวกนี้จริงๆมันโดยหลักการคำนวณแล้วมันทําได้หมดใช่ไหมได้ไหมอาจารย์ไ ด, ได้หมดเลยนะขนาดโลกหมุนรอบตัวเองยังคำนวณได้จะกล่าวไปยายถึงพวกนี้ไหมแต่ว่ารวมๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่และอย่างมันยุ่งเหยิงหมดเลยทําไมมันจึงยุ่งเหยิ ง, ยงรู้ไหมเพราะว่ารูปก็น่าปรารถนาสําหรับเขาตอนที่มันดีนะตอนที่มันน่าปรารถนามันก็ปรารถนาวิญญาณก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสําหรับเขา ภาษาก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสําหรับเขาเวทนาก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสําหรับเขาตันหาเองก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสําหรับเขาเขาก็ยังชอบตันหาอยู่เช่นคิดง่ายๆว่าวันไหนตันหาไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะเดือดร้อนเหมือนกันนะจะฟังเพลงให้มันสนุกซะหน่อยตันหามันดันไม่ยอมเกิดเนี่ยนะสุขไหมจะฟังเพลงให้มีความสุขนะได้แต่ความเศร้ากลับมาเนี่ยนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะตันหาไม่เกิด พันพวกตันหาเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งกุกตาทานหมดเลยความยึดถือมีมาทั้งหมดเนี่ยนะแล้วมันสั่งสมมากี่ชาติแล้วล่ะสั่งสมมาเนิ่นนานตานใดเนี่ยจึงจะรู้ว่าหมูสัตว์เนี่รกชัดจริงๆรกชัดจนมาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเอ๊ะทำไมมันไม่ไปอ่ะนะทำไมไม่เบรรลุมันประสานมันเกาะเกี่ยวกันเอาไว้ขนาดนี้เนี่ยนะมันก็กว่าจะถางรกชัดในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนับว่าไม่ง่าย ฉนั้นคุณาเรก็ต้องเอาพวกนี้มาทาปริญญาให้หมดเลยสะสางให้มันหมดเลยถ้าสะสางไม่ดีนะมันหลุดไม่ได้เพราะแต่ละอันเนี่ยมันเหมือนกับเรียวหนามไม้ไผ่ที่มันเกาะมันประสานมันมันยุ่งเหมือนหญ้าล่องหญ้ามุงกระต่ายเนี่ยนะเหมือนกับได้ของช่างหูกที่ที่เอาน้ำมาระอะไรนะหนูกัดแล้วเอาเอาน้ำข้าวเนี่ยไปราดลงอีกนะมันยุ่งเหยิงมันเกาะมันติดมันพันไปหมดเลยเห เพรั้ก็เลยไม่เล่นไปเพื่ออสังคต่าธาตุเพราะว่าเหมือนกันอะไรเหมือนกันนี้สินมันท่วมไปหมดเลยพวนี้เอสัตวทั้งหลายปกติเนี่ยเป็นธาตุของทุกอย่างของรูปของวิญญาณของภาษะของเวทนาของตัณหาของอุปาทานมันเข้าไปมีหนี้ศินเข้าไปติดเข้าไปคล้องเข้าไปผูกพันพัวพันไปหมดเลยอันวัตตะมันก็เจริญด้วยประการอย่างนี้อันนี้เราพูดหนึ่งทวารนะไล่มาอย่างนี้ไล่มาอย่างนี้ตกลงไล่เท่าไหร่แล้วลสายเนี่ย จะได้อุปาทานกี่กี่ประเภทและไล่มาอย่างนี้จะได้อุปาทานเท่าไหร่ไล่มาอย่างนี้แล้วอุปาทานแต่ละอุปาทานนะเป็นปัจจัยแก่การมาพบรูปประพบและอารูปประพบใช่ไหมไหนไหมจะได้ดัง คือ ย, ยังไม่ได้ตามพระอาจารย์เป็นเรื่องกา ร, ร ม, มาพบรูปมาพบคือพิจารณาจากไอ้วงจรนี่นะคะระอาจารย์ตั้งแต่คือวิญญาณภาษาหรือรูปก็ตามเนี่ยคือทุกๆทุกๆตัวนี่คือมีปัญหาในทุกๆตัวเลยใช่ไหมครับในฐา <8 S 1> นะเ ป, นเป็นที่ตั้งแห่งตัญหาทุกอย่างเลยเป็นที่คือเข้าใจว่ามีปัญหาในทุกอย่างเลยที่เนี่ยใช่ไหมสัมมาอังง่ายๆอย่ายงนีง้น ะ, ะรูป น, นะต่อจากรูปเป็นอะไรวิญ ญ, ญาณถ้าพูดวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะจากขู่เท่ากับพูดอะไรใช่ไหม ภาษะเวทนาอะไรภาษะนี่3สามนะใช่เวทนาจะเป็นเวทนาเท่าไหร่เก้าทีนี้เวทนาเก้าเนี่ยนะตันหาเท่าไหร่ตันหาสามคูณเก้าสามเก้ายี่สิบนี่ยนะตันหายี่สิบเจ็ดเหล่านี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน อุปาทานนี่มีสี่นั้นยี่สิบเจ็ดคูณสี่เท่าไหร่เท <100. S 1> ่าไหรนะ่เนี่ยร้อยแปดแล้วอุปาทานสี่เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมมาภพเนี่ยกรรมมาภพเนี่ยถึงเจตนายี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นไอ้ร้อยแปดเนี่ยคูณยี่สิบเก้าเข้าไปพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทั้งหมด คือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยังไปชอบในสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะมันเกิดแล้วนะยังว่างๆนึกเอามายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปเพลิดเพลินไปติดไปคล้องกับสิ่งนั้นไปเข้าใจผิดมีทิ่ถิกบสิ่งนั้นแต่การพูดพบเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าชาติต่ตอไปคืออะไรเนี่ยนะการเอาตัวนี้มาวิเคราะห์ น, นะเพื่อจะบอกว่าชาติชรามรณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ แล้วถามว่าชีวิตของเราเนี่ยเห็นแค่ครั้งเดียวหรืออันนี้สรุปถึงการเห็นหนึ่งครั้งนะจะต่ออะไรได้บ้างในชาตินี่จะสามารถเป็นอะไรนะอะไรก็กลุ่มโรคระบาดนะนะถ้าพูดแบบในหนึ่งนะเรียกว่าโรคระบาดก็ไม่ผิดว่ามันจะระบาดไปถึงไหนแล้วทีนี้เชื้อแห่งโรคระบาดเนี่ยมันมีครั้งเดียวไหมวันเดียววันนี้เห็นกี่ครั้งก็คูณไปตามนั้นทั้งหมดเนี่แหละสรุปว่ามันยุ่งเหยิงขนาดนี้นะ ไม่น่าไม่บรรลุสักพีหนึ่งนะไม่ต้องแปลกใจหรอกที่ไม่ค่อยได้บรรลุเนี่ยเจตนา2ยเก้าอันนี้เรียกว่าคำนวณแบบพิสดารเนี่ยนะอันนี้นี่ยกมาหนึ่งขณะนะหนึ่งขณะที่เห็นสมม่าเห็นคุณบุญชูเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ย โรคอะไรจะกําเริบไประบาดไปถึงไหนบ้างนะนะอันนี้เห็นหนึ่งครั้งนะถ้เปลี่ยนคนเห็นไปอย่างนี้เรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าตามคัมภีร์จริงๆอ่ะ ท, ท, ท่านท่านท่านคำนวณอีกในหนึ่งอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นโลกับนินโรธาสูตรนะอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นจัจใจจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงตรงภพเสริมอีกนิดหนึ่งคิดว่ามีชาติแล้วใช้ชาติจะหมดหรืออานะถ้า ต, ตั้งคำถามแบบนี้นะเมื่อคุณเกิดแล้วคุณจะใช้ชาติให้หมดหรือ โดยเฉพาะเจตนายี่สบเนี่ยนะเจตนายี่สิบที่เป็นอกุศลสิบสองมหากุศลแปดเนี่ยนะก็แบ่งเป็นว่าชนิดดวงที่หนึ่งอันนี้ให้ผลชาตินี้อันนั้นชนิดดวงที่เจ็ดชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกชาติที่สามเป็นต้นไปชาติหน้าอย่างชาติที่สามเป็นต้นไป แล้วอันนี้เนี่ยไอ้ไอกติกาดังกล่าวยี่สิบเนี่ยมันมีแค่ขนาดจิตเดียวหรือเพราะฉะนั้ น, นกรรมตัวนนในเนติ ป, นนต ป, ปรกรณ์อ้างพุทธพจน์ว่าธรรมที่ขยายวัตตะตัวนี้นะตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยสามตัวนี้เรียกว่าตัวขยายวัตต ะ, ะมันขยายขนาดไหนคิดดูเพราะฉะนั้น ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจบเองเดี๋ยวก็บรรลุเองคิดอะไรมากไปขยันอะไรมากมายเพียรทำอะไรทฤษฎีนี้ใช้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจะออกจากวัตจได้จริงๆถ้าไม่ชำระสาสางจริงๆเนี่ยหมดติดเลยไนงะ ลอยชีวิตตามเวตามกรรมแล้วแต่เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรที่มันลอยอยู่ในน้ําอ่ะนะสักอย่างหนึ่งลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฐานะเลยทีนี้แล้วกรรมที่เราทําเนี่ยนะหนึ่งชาติเจตนาเนี่ยเราสั่งสมไว้เท่าไหร่อย่างทีนี้มันมีน่าคิดอีกถามว่าดวงที่หนึ่งมันให้ผลชาตินี้ทํากรรมหนึ่งแล้วมันให้ผลหนึ่งใช่ไหม ไม่ใช่คูณแสนโอ้ยแสนโกรธล้านะนะนีแต่ละอันเนี่ยนะแสนคูณแสนโกรธล้านมันเหมือนอะไรนะเหมือนสมมติว่าถ้าทำบาปนะค่าเขาหนึ่งครั้งเนี่ยเข้าคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเอามันให้ผลเท่าไหรนะ่นะอันี้คิดแบบคร่าวๆเฉยๆนะแบบง่ายๆเนี่ยไปทำกรรมบางอย่างใช่ไหม ตัดสินบอกอยู่จําคุกตลอดชีวิตเ น, น, น, นี่ยนนี่สมมตินะสมมติตัวอย่างแล้วดวงที่เจ็ดอีกดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระโมกข์คนคนหนึ่งที่เขาฆ่าฆ่าฆ่าแพะใช่ไหมอ่านะที่ที่ฆ่าแพะแล้วอ่ะถูกมันให้ให้ผลห้าร้อยชาติอย่างเงี้ยถูกฆ่าอย่างเงี้ยห้าร้อยชาติหรือพระโมคขาลานะเนี่ยนะถูก ปุบมาแล้วหนึ่งร้อยชาติถ้าท่านยังไม่ดับขันปิจจุบั น, นอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะโอ้ดวงชาตินี้นะดวงที่หนึ่งก็ถูกเละและ้วดวงที่เจ็ดเอกนรกดวงที่สองถึงดวงที่หกนะตกนรกสบายๆหลายหลายแสนชาติมากมละก็อยู่วัฏฏะายาวเลยแหละเพราะฉะนั้นวัฏฏะมัน เมื่อเมื่อเข้าใจแบบนี้นะเข้าใจวัตฏะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยพุทธพจน์ที่บอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงละจงละสิ่งนั้นเสียเนี่ยนะสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยเป็นคําที่ดีมากเป็นคําที่นําออกจากทุกจริงจริงถ้าไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นไหมวงจรอันนี้ถ้าถ้ายังอยู่นะที่นั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ ย, น, น, ย, ย, ยนะก็เงื่อนไขมันเป็นอย่างเงี้ยวัฏฏะเนี่ยวัตฏะมันมีเหตุมีผลอย่างเงี้ย ใครจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามแต่เงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมมันหมู่สัตว์เนี่ยเมื่อเมื่อคำนวณไม่ถูกมันก็รกชัดใช่ไหมก็เลยไม่คิดทางออกก็คิดว่าตัวเองอยู่แล้วจกสบายแต่วันนี้คิดไหมว่าครั้งหน้าต่อไปจะสบายขึ้นกว่าวันนี้เห็นไหมไม่แต่ว่ามีความหวังลึกๆใช่ไหมครั้งหน้าต่อต่อไปจะสบายกว่าวันนี้นะคุณบัรจูนนะ แล้วจริงๆมันเป็นไหมไม่เป็นแต่ก็ยังแอบหวังนะสมมุติวนะ่าเออเรียนเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านจะสบายกลับบ้านแล้วได้นอนหลับแล้วจากสบายตื่นขึ้นมาอีกจากสบายหวังว่าจากสบายหวังไปอย่างนี้เรื่อยๆรั้นอยู่ในโลกเนี่ยมันจึงไม่เป็นได้แล้วก็ขยายวัฏตะแต่จริงอย่าไปคิดอะไรมากนะเพราะเราอยู่มานานแล้วเป้าอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้มานานเต็มทีละเออแต่ก็อยู่ได้นะก็เก่งมากนะอภิชาสักอย่างเนี่ยนะอยู่ได้หมดอะ ก็เหมือนกับอะไรนะถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบแบบลักษณะแบบโบราณเนี่ยนะโบเศรษฐีโบราณเนี่ยทาไมจึงมีที่ดินเยอะเศรษฐีโบราณเลยนะทำไมจึงมีที่ดินเยอ ะ, ร, ยนะยอะรู้ไหมจริงๆอ่ะเศรษฐีคนนั้นไม่ใช่มีที่ดินมาแต่อ้อนแต่ออกอะไรหรอกแต่ก็คือกลของเขาเขามีเทคนิคของเขาใช่ไหมใครเดืร้อนเงินเอามากู้ สัญญากู้ของเขาอย่างไงร้อยละยี่สิบต่อเดือนนะร้อยละยี่สิบต่อเดือนนี่ขนาดนี้ถ้าไม่ไม่มีทรัพย์สินมาค้าประกันเขาไม่ให้กู้นะร้อยละยี่สิบต่อเดือนถ้าสมมติว่าถ้ากู้กมาหมื่นหนึ่งอ่ะคูณหนึ่งปีเข้าเท่าไหร่ไง น, นะอันนะ ก็1มื0 0หนึ่งเนี่ยนะยี่สิบาทก็เดือนหนึ่งเนี่ยถามว่าดอกมันเท่าไหร่เท่าไหรด่ดิมัทขนิตทั้งหลายฮ่สองพันเยเดือนละสองพันถามว่าถ้าอย่างนี้หนึ่งปีเนี่ยดอกเท่าไหร่ดเดือนสองหมืนสี่ใช่ไหมอ่ะปีหนึ่งสองมืนสี่บวก พอครบหนึ่งปีปั๊บเนี่ยจะได้หนี้สามหมื่นสองอ่ะเท่าไรนะสามหมื่นสี่เนี่ยนทีนี้ก็ถ้าแกไม่คืนภายในเท่านี้นะดอกทบต้นอีกไอ้นี้ดอกนี้ต้องอยู่เท่าเดิมทีนี้บอกว่าถ้ามันเกินกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะแกบอกว่าขายนาให้ฉันซะถ้าแกไม่ขายนะ แกเดือดร้อนก็บางทีก็เศรษฐีโบราณพวกนึ้นบางทีมีอำนาจฆ่าได้แกจะเดือดร้อนเพราะนั้นแกก็ขายนาให้ฉันฉันจะให้นาแกเนี่ยเช่าผลผลิตก็คนละครึ่งละไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยกลายเป็นเจ้าของนาแล้วใช่ไหมอ้นั้นเป็นคนงานให้แล้วทีนี้ถ้าทำนาไม่ตรงสเปกหนี้สินมันท่วมมาอีกแกมาเป็นทาสฉันอ่ะ น, นะ เพราะเมื่อแกเป็นทาสลูกของแกก็ต้องเป็นทาสชั้นด้วยนะระบบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดนะก็กระจายอํานาจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยในที่สุดก็กลายเป็นวงจรของเข้าเป็นแบบนี้ซึ่งถ้ายังอยู่ในระบบนี้เขาจะมีทาสเป็นตําบลเลยใช่ไหมมีทาสเป็นอําเภอทั้งหมดใครจะไม่ยอมสมัครเป็นทาสกันง่ายๆมาจากหลักการอะไรทําไมจึงมาเป็นทาสพราะหลักการนี้ก็จะมีทาสเป็นจังหวัดเลย ทุกคนทำมาหากินก็ต้องให้สวยก็รวยเอารวยเอารวยเอารว ย, รวยจนไม่รู้รวยเท่าไหร่แล้ว